อันนี้เมื่อกําหนดไปถึงอารูปและต่อมาเมื่อก็เมื่อกําหนดรูปและอารูปย่อมเหน็ดเหนื่อยเออตรงนี้หมายก็ว่าเมื่อเรากําหนดทีแรกเนี่ยอันนี้ขอให้ฟังให้ดีในทางหลักอะกําหนดทีแรกเนี่ยเราเราทุกคนเนี่ยครับต้องตั้งหลักอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าไอ้สิ่งควรรู้<ม>แต่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องอนาคตเนี่ยมันได้แต่ว่าอะไรหลักการมันจะต้องไปรู้ร ắc กวรจะไปรู้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 มันเริ่มเป็นการได้หลักตั้งต้นที่จะแยกรูปแยกนามการจับรูปจับนามโดยความเป็นรูปและเป็นนามอย่างปฐมเบื้องต้นของผู้ทาวิปัสสนาได้คือตรงนี้ก็ตรงนี้ก็คือท่านบอกว่าเมื่อเราทำวิปัสสนาตั้งแต่ในส่วน อารัตทวิปัสนาเริ่มทำจนทั้งมาได้ยานที่หนึ่งจับรูปแยกรูปแยกนามได้แบบสมดุลกันแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้จากอารัตะมาสู่นามรูปปริเฉ ท, ทยานเป็นต้นไรกยานยานสองสญญาจารย์จะว่า น, นั่นต่อไปมีความเหน็ดเหนื่อยลำบากยุ่งยากไม่ใช่ของได้โดยง่าย อันนี้แหละเรียกว่าเป็นความเหนื่อยเหน่อยเป็นทุกข์ขาถามว่าเหนื่อยตัวนี้เหนื่อยหอบแคแคกหรือไม่ใช่บางแห่งเนี่ยท่านสามารถไอเหนื่อยนี่เหนื่อยด้วยอะไรตอบว่าเหนื่อยด้วยแรงขับเคี่ยวคือกิกเลสของเราและถามว่ากิเลสนั้นมันมันเข้ามาเกัดขวางโดยประการอย่างไร อ่ไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าทําแล้ว ง, ง่วงทําแล้วยังงวงอย่างนี้แหลนะนไอ้ น, นี่ไอ้ น, นี่มันอารัฐธวิปัสสนาทําแล้วเนี่ยมันเข้ามาเบียดเบียนในลักษณะเช่นความไม่รู้เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนเราคิดอะไรแล้วทําท่าจะเข้าใจทําท่าจะไม่เข้าใจนะเคยไหมฮะอันนี้เทียบให้ฟังไม่ใช่วิปนะัสสนาเหมือนทําท่าจะคิดออกทําท่าจะคิดไม่ออกนี่คือเรากําลังจะต่อสู้กับโมหะอย่างภาษาโลคโล หรือไอ้บางอย่างเนี่ยเราทําท่าจะจําได้ทําท่าจะจําไม่ได้มันมีอาการคล้ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ต้องต่อสู้กับความสําคัญว่าเป็นตนไอของไอตัณหามาณติติมานะณก็มีว่าพอเห็นแล้วมันอดอดใจพองโตไม่ได้เราก็ต้องหดใจของเราไม่ให้มันพองโตตื่นเต้นกับสิ่งธรรมะตามภาษาคนมี มานะจริตแล้วก็อดกับบางทีอดกับความตกใจไม่ได้คือไอ้ที่เรามาปรึกษาเรื่องก็มาถานเรื่องอะไรในโฮมันมันมันอยู่ในในข่ายแต่ระดับต่างกันเนี่ยนะจริงๆเลยบางคนพอเห็นแค่ น, นี้อย่างที่ว่าเราอะมายืน ก, ก่อนลูกกองร้องไห้อ่ะร้องไห้นี่เป็นวิปัตนา ย, ยานเลยกอนลูกกงร้องไห้ ไม่ใช่ครับนี่คือกิเลสเข้ามาครอบงาและถ้าสู้ไม่ได้อาจารย์รู้ว่าสู้ไม่ได้ต้องบอกคุณต้องพักต้องออกไปชั่วคราวให้กิเลส ต, ตายใจก่อนแล้วอยมาทำกันใหม่นะถ้าหากว่าสู้ได้อยากง่ายแก่ก็ให้ทําต่อไปและให้ต่อสู้ต่อไปมันมันจะมีและเราจะถ้าเราเป็นคน ถึงไม่ไม่ได้คิดจะมาใสา่ใจวิเคราะห์กี่เหลก็จะเห็นนะถ้าสมมติเราไม่ใส่ใจแล้วไปเห็นมาอย่างนี้ไปมีประสบการณ์มาไม่ได้ตีค่าว่าอะไรเป็นไรเนี่ยถ้าไปฟังพระเทศฟังอ า, อาจารย์อธิบ า, ายอาาย่านตำราเราเข้าใจเลยสวมข้าลงไปถูกเราอ๋ออันนี้เราพลาดตอนนี้ละถูกตนนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าวิปัสนาวิโสตะกะคือได้ได้รับการชำระวิปัสนาใหม่ แล้วก็เข้าไปทำใหม่หรือเริ่มทำในรอบใหม่โอกาสใหม่ต่อไปก็มีทางจะยกระดับได้ทำให้เราชนะกรรมฐานได้เพราะไอ้ธาตุไอ้กิเลสเนี่ยสรุปแล้วมันคือกิเลสแต่กิเลสเหล่านี้ถ้าถามว่ามันมาพรวดพลาดเข้ามาเข้ามาทาให้เราต้องมาวุ่นวายกับมันเหมือนกับกาลังจะต่อสู้กับอันตรพา่์คนไม่ดี จะเป็นแม่บ้านไม่ดีขี่ลักขี่ขโมยอย่างงูยอย่างนี้หรือว่าบริษัทบริวารที่เข้าใจอะไรไม่ใช่ง่ายๆเข้าใจผิดอะไรอะไรเงี้ยเราก็เหนื่อยๆอะไร้ยอย่างนั้นนะถ้าถามว่ามันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เกิดโดยไม่มีเหตุอาเหตุเนี่ยชี้ทั้งปัจจัยเฉพาะหน้าแล้วก็ชี้ทั้งปัจจัยเก่าปัจจัยเฉพาะหน้าก็หมายความว่าพวกสัปยากต่างๆ ไอ้ น, นี่ภพมันถ้าไปได้สปายะดีเราได้เครื่องอช่วยให้เรามีความทนในการงานไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยมากถ้าได้สปายะไม่ดีเราก็เหน็ดเหนื่อยเพราะไป้สปายะไม่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประโยชน์ของกิเลสนะอันนี้อันหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราสั่งสมไว้สั่งสมไว้เนี่ยมันว่าตั้งแต่อาทิพรหมจรรย์ อไปอาธ่พรมอาจารย์เช่นว่าสุตตะเราแค่ไหนสุตตะไม่ดีปฏิบัติแล้วมีปัญหาเยอะสุตะหมายถึงโดยเฉพาะสุตตะในเรื่องเกี่ยวกับการทํากรรมฐานแล้วกระชับขมาคือในแบบนั้นนั่นแหละจะดีแค่ไหนถ้าไม่ดีแล้วก็ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาบางบางคนที่อย่างที่ที่ไปเชียงใหม่ม า, มาตั้งก็ห้าทุ่มยันตีสามมา เวรกรรมผมพวกอาจารย์เชียงใหม่ก็นักปฏิบัติทางนั้นมากันเต็มเลยเราก็นั่งคุยกันยันตีสามถึงเลิกพวกนักปฏิบัติแต่เราก็เราก็ไม่เหนื่อยไม่รังเกียจก็เล่าก็ดีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมากก็คือว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขาปริญญาน้อยปริญญาต์ลำเรียนอะไร ต, าต่างๆเนี่ยนะฮะน้อย แม้ว่าวิธีที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยอ่าอาจารย์ที่สอนเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่เป็นเป็นผู้ที่เรียกว่ารู้เรื่องทฤษฎีกรรมาฐานเอที่จะเอามาสงเคราะห์คนได้เต็มที่แต่ว่าท่านก็อาจจะได้รับความสําเร็จในส่วนตัวของท่านนะแล้วมันก็มีปัญหาโอ้โหตอบผมไม่หวัดไหวอธิบายไม่หวัดไหวแต่ว่าสรุปแล้วส่วนใหญ่นั้นเกิดจากตรงนี้แล้ว เลยกลายเป็นพาดหนึ่งขนาดว่าพอไอ้กิเลสที่มันเข้ามาเนี่ยมาทําให้เราต้องต่อสู้แล้วไปนึกว่ามันเป็นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันไม่เหนื่อยนะถ้าเรานึกว่าเป็นกิเลสเนี่ยเราเหนื่อยเข้า <c oughs> ใจไหมเหมือนไอ้คนมันจะมาทํำร้ายเรามาเบียดเบียนเรามาชอมาโกงเรามาคือผมฟังแล้วผมกล่าวเปรียบเทียบกหนเขาฟังแต่พูดงี้เดี๋ยวจะน่าเกลียดไป คือถ้าเรายังมีความรู้สึกไม่เอามันเลยมันเราก็เหน็ดเหนื่อยแต่ถ้ายินยอมรอมใจหรือทําไม่รู้ไม่ชี้ด้วยประการใดมันก็ไม่เหนื่อยมันอาจจะนึกว่าเป็นของดีก็ได้เขามาชวนเราโกงเราไม่โกงก็เหนื่อยแต่ถ้าเราโกงเขาด้วยก็หายเหนื่อยแก็ไปเหนื่อยทีหลังอนะแต่ตอนแรกมันไม่เหนื่อยเพระนั้นไอ้ตรงนี้นะ่ะบางทีไปนึ ก, กว่ามันดีแล้วก็เลยไปยอมเปิดประตูรับ สมโลรวมคิดกับไอตัวกิเลสไม่ยอมเหนื่อยเพื่อที่จะขจัดสิ่งเลวร้วายออกไปอย่างนี้นะมีมิใช่น้อยถ้าการนี้อย่างนี้แล้วต้องคว่ำกระดานเลยครับบอกว่าอย่างนี้ทิ้งอย่าไปเอาผิดทั้งหมดทั้งผู้นี้แต่ว่าเราเราเพู่อพูดนี้ได้ต้องคุยกันมาพอเชื่อกันบ้างแล้วนะแต่ไปพูดอย่างนี้มาเริ่มต้องกับพูดอย่างนี้เขาก็คงไม่คุยกับเราต่อ เพราะว่าเขาคงจะรับอะไรที่พูดแบบหุนหัวงี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละครับเราเองเราเองถึงจะล่ำเรียนมันก็มีไอ้ข้อที่เราเข้าใจไม่ถึงบางส่วนบางประการ m, <c oughs> ก็มีอยู่ทุกคนไม่ว่าผมว่าใครต้องค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาปไปนี่คือเหตุที่ทําให้เหนื่อยเมื่อกี้ผมพูดถึงอาธิปญจอาจารย์แค่เรื่องเรียนเรื่องเดียวเรื่องศีลเรื่องอะไรแต่ไรนี่ทั้งนั้น คนมีศีลผู้ศีลมามากแล้วก็พอจะมาได้บรรลุมีธรรมะอบรมมาด้วยพวกนี้ก็จะเหนื่อยไม่ราบรื่นแต่คนมีบุญมีอะไรอะไรมาดีนะมันราบรื่นครับเห็นว่าได้รับสัพพายะก็ดีบุญช่วยมิตรช่วยได้รับครูก็ดีอะไรก็รู้สึกว่ามันสอดคล้องชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ธรรมของเรา เป็นน้นมาก <c oughs> ในนี้ท่านไม่ได้ไม่ได้อธิบายสาวลงลึกลงไปอย่างนั้นเหมือนอย่างในกรณีที่อะไีหยิบหยิบไปในที่อื่นตรง น, รง น, รงนี้ตรงนี้หน่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมสรุปประเด็นนี้ก่อนว่าจุดเหนื่อยคือจุดอารัฐทวิปัสสนาก้าวเข้ามาสู่ปฐมญาณของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งแยกรูปแยกนาม พูดสั้นๆก็คือว่าบได้ยานที่หนึ่งด้วยความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยไอ้เหนื่อยกับช้าเร็วเนี่ยมันคนละอย่างกันสำหรับกรณีนี้ลําบากด้วยแล้วก็ช้าด้วยลําบากด้วยช้าด้วยช้าเนี่ยหมายความว่าบางคนเนี่ยเขาเหน็ด เขาเหนื่อยพอจับทางได้ปั๊บเนี่ยน่ะมุดว่าเราเ อ, อแก้ไขกิเลสได้ปั๊บเนี่ยบรรลุเลยคือพอเข้าจุดแล้วบรรลุทันทีได้จังหวะแล้วทันทีเลยแต่บางคนเนี่ยถึงว่าจะปรามกิเลสอะไรตางอุปสรรคต่างๆได้แล้วเนี่ยขว่าจะบรรลุกว่าจะเข้าที่ช้าเพราะฉะนั้นการที่เราช้าหรือเร็วจึงเกิดจากสาเหตุ หนึ่งสาเหตุตัวนี้นะถ้าจะชี้ลงไปหรือเอาชัดๆเลยก็คือว่ากำลังของหยานความเข้มแข็งของหยานขอให้นึกง่ายๆว่าคนเราในชีวิตไม่มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมฮะที่บ้านก็อาจจะอ่านหนังสือได้ไม่มีใครรบกวนเจียวจาว โตเก้อีแสงสว่างดีทุกอย่างอ่านกว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างได้เ น, นะโอ้โหมันช้าใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยเครืงเครื่มีอุปสรรคอะไรบ้างเขาไหวเวลาเขาจับทางได้เนี่ยนะเปิดหนังสือได้แล้วได้ทันทีเลยเข้าใจทันทีตรงนี้คือกําลังความเข้มของอินทรีย์ของคน ผมถึงเคยบอกให้ฟังว่าสมถะเป็นบาทเนี่ยอันนี้คล้ายๆกันแหละครับเป็นบาตรสองอย่างสอง ล, ลักษณะลักษณะหนึ่งคือปรามกิเลสน่นทำให้เราเหนื่อยน้อยน้อ ย, อ ย, อ ย, อยลงนะะสองก็คือให้พลังแก่อินทรีย์เช่นว่าสมาธินทรีย์พอเรามาลงวิปัสนาปั๊บเนี่ยถึงจะออกจากชานแล้วแต่ว่าปกตูของสมาธินรียเข้ามาปกตูของสติ คนทําฌานเขามีสติเหมือนกันนะเพียงแค่สตินั้นมีอารมณ์ไปอย่างอื่นทําเพื่ออย่างอื่นพอมาทําวิ ป, ป, ป, ป, ปัสสนาป้าผมยกตัวอย่างเอาช้าๆาาาอย่างนี้เลยแล้วกันว่าคนไปทําวิปัสสนาเอาไปทําสมาธิก่อนเหมือนนี่เป็นเรื่องจริงๆที่พวกเราเล่าเราเรื่องของอื่นไปอยู่ในวัดป่าสติมันคมมากทําสมาธาินะผมต้องย้ํำมาทำสมาธาิ ใบไม้หล่นได้ยินเสียงล่นใกล้ล่นไกลได้ยินเสียงคนเดินได้ยินเสียงเสียงสัตว์คลานได้ยินเสียงสมมติว่าคนอย่างนี้ถ้ามาทาวิปัสสนากาหนดอย่างนามอย่างรูปไวไหมดีไมดีครับอะไรวัดอะไรวัดเนี่ย เป็นอารมษษษษณ์วิปัสนาได้ดทันทีหมดละเอียดเรียกว่าละเอียดความละเอียดนี้เอามาใช้จากพลังทางสมถาความเพียรก็เหมือนกันคนถ้าลองทำสมถะทำสมาธิแล้วมันมีน้ำอดน้ำทนดีมีความทนงานมีอะไรจต่ลายพกติดมาเยอะเลยครับเั้นบางครั้งเนี่ยเราทำวิปัสนาพอเหนื่อยเพราะขี้เกียจแล้วบางทีต้อง พักในการทำสมถะแล้วถึงมาทำวิปัสนาต่อม่อก็ช่วยได้อย่างนี้อาะละันี่กรณีที่หนึ่งนะฮะกรณีที่หนึ่งผมได้ชีแล้วว่าความยากความยุ่งยากกับความรวดเร็วและความชักช้าเป็นคนละส่วนกัน แม้ว่าไอ้ความยุ่งยากบางทีมันจะมามีหมายถึงความช้าชาแต่ตรงนี้ท่านไม่ได้เอาเอามาปนกันเป็นผืนไอ้ยุ่งนะก็ส่วนหนึ่ง <c oughs> แต่ว่า ไ, ไอ้ช้าเร็วนะคือส่วนที่ไม่ยุ่งแล้วแต่ก็ยังช้าหรือยังเร็วหรือเร็ว <c oughs> ในกรณีที่สองฝ่ายท่านผู้ใดกําหนดเอารูปและอารูปแล้ว เมื่อจะกำหนดนามและรูปย่อมเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยกำหนดเอาโดยยากโดยลำบากและเมื่อกำหนดนามและรูปได้แล้วเมื่ออบรมบ่มวิปัสนาอยู่ย่อมอาจธรรมักให้เกิดขึ้นได้โดยเวลาเนิ่นนานสำหรับผู้นั้นชื่อว่าทุกขาปฏิปท า, ากรณีตรงนี้ท่านท่านชี้ให้เห็นว่า คนที่กำหนดรูปและนามเป็นอารมณ์คือไม่ใช่อารูปอย่างเดียวอย่างเมื่อกี้นี่นี่เปลี่ยนบับเพื่อจะเ จ, จะเห็นว่ามันไม่ใช่ <Okay. S 1> ไอ้เรื่องเรื่องยากเรื่องไม่ยากเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราไปทำบับไหนเน้นรูปหรือเนเน้ น, นเน้นนามออกหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะแม้ผู้ที่กำหนดรูปและนามเป็นอารัธิวิปัสสนาเมื่อจะกำหนด นามและลูกที่เป็นอายาธิหนึ่งอันนี้ท่านยกเลยอย่างเป็นยาธิหนึ่งก่อนแล้วก็พอไปถึงจุดบรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยท่านกระโจมไปถึงขั้นบรรลุมักเลยนะเอามักเลยเอามักเลยเพราะว่าอันนี้ท่านหมายลำดับยาธไล่ให้ฟังว่าคนาการรู้หมายถึงเอารู้บรรลุเป็นพระอรหันด้วยความยากชักช้าด้วยกําลังยาธอย่างที่ได้กล่าวมา อันนี้จะอธิบายคล้ายๆกันนะครับต่อไปกรณีที่สามอีกท่านหนึ่งเมื่อกําหนดลงตรงนามและรูปคือจะเอารูปเป็นหลักเอานามเป็นหลักหรือทั้งรูปทั้งนามเมื่อกําหนดปัจจัยเมื่อกําหนดเอาปัจจัยทั้งหลายเป็นผู้เหน็ดเหนื่อย เ, เมื่อกำหนดเอาโดยยากโดยลาบากอันนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาตัวนี้อธิบายเลยคือคนที่จับนามจักรูปคือพูดง่ายว่าได้ยานที่หนึ่งแล้วเอางี้แล้วกันนะได้ยานที่หนึ่งแล้วมาต่อยานสองยานสองนี้เห็นปัจจัยการจะเห็นปัจจัยของนามของรูปนั้นก็ยากลาบากมีอุปสรรคมากอธิบายในทางบท แวดล้อมคล้ายๆกันแต่ลำดับยานต่างกันเท่า น, นั้นเองก็เลยตรงนี้เนี่ยทําให้เราไอในตํารายนี่ทันยกแบบไม่ไม่ได้ไล่ยานยกแล้วนะไม่ได้ไล่ยานทุกยานแต่เรามา น, นึกว่าถ้าเราจะย่อระยะขึ้นมาจากคือถ้าพูดเป็นแบบไม่ว่าตามยานก็คือว่าคนทําตรงจุดหนึ่งวิปัสนาตรงจุดหนึ่งจะเป็นก่อนได้ยานก็ตามเถอะ กำหนดกำหนดเนี่ยแล้วก็มีความยุ่งยากความลำบากในการที่จะเลื่อนระดับขั้นของความเจริญในธรรมขึ้นไปตู่อีกจุดหนึ่งมีอุปสรรคยุ่งยากแก้อุปสรรคได้แล้วยังชักช้าไอ้นี้ก็พูดเหมือนกับว่าเราบางคนเนี่ยปฏิบัติวันแรกตรวจบางคนเจ็ดวันยังยังไม่รู้ไม่เท่าไหร่ยังเลีล่ยนๆขวางอยู่ มันต่างๆกันอย่างนี้มันก็ฟองสภาพหรือฟองลักษณะของปฏิปทาของบุคคลนั้นในาการบรรลุยานเบื้องสูงเหมือนกันนั้นถ้าจะทําเป็นเครื่องหมายสาหรับข้อนี้ก็คือนามรูปแล้วก็วรูปหัวลูกศรกับปัจดใยหรือยานหนึ่งกับยานสองยานหนึ่งไปสู่ยานสอง ก่อนหน้านั้นคือข้อหนึ่งกับข้อสองเมื่อกี้นะยานอารัตถวิปัสนาไปถึงยานหนึ่งเราไปดูประเด็นเก้าเลยครับโดยทุกขาปฏิปทาสันทาปิญญา ที่ท่านยังอธิบายไปถึงในสีในห้าอย่างกรณีในสีเนี่ยถ้าจะให้อธิบายเลยไม่ต้องอ่านก็คือ <c oughs> ยานหนึ 1, ่งอายานสองอ่าเป็นว่ายานสองไปถึงยานสามยานสี่ที่ท่านใช้คาว่าจากการกำหนดได้นามรูปแล้วคือได้ปรมัติ์แล้ว ก็กำหนดปรมาัดนั้นให้เห็นอาการคืออนิจังทุกขังหน้าตาอณิจังเนี่ยปรากฏยานสามอย่างหยาบปรากฏยานสี่อย่างสมบูรณ์ยานห้ายานหกเราก็มีอนิจังทุกขังหน้าตาติดไปตลอดคนที่ได้ยานหนึ่งยานสองนี่เรียกว่าได้จับนามจับรูปได้และจับเบื้องหลังข้างนามโกตเกิดเหตุปัจจัย ก็สองอย่างนี้ก็คือจับตัวสภาวะได้เข้าใจตัวสภาวะนะั้นครบวงจรก็ดูอาการของตัวสภาวะนั้นด้วยของเหตุปัจจัยของสภาวะนั้นด้วยอาการที่หมายดูในทางปรมัติในทางวิปัสสนาคืออนิจจงทุกขังอนัตตาตรงนี้ก็คือว่าคนจะได้เห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาบางคนง่าย ผ่านตลอดบางคนยากตลอดแต่ละขั้นแต่ละขั้นในยากเย็นทุกขั้นตอนไม่มีช่วงไหนง่ายเลยก็คงมีนะบางคนง่ายบางยากบางอยู่บางมาอยู่บางกม็มีมีเหมือนปฏิปทาสี่ของหลายๆคนไม่ดีตลอดหรือดีตลอดหรือดีปนไม่ดีสลับกันตามจังหวะยานที่ตัวเข้าถึงนั้นในสีเนะี่ยบอกตรงนี้บอกตรงจุดนี้ ในที่ห้านี่แหละครับตรงนี้ผมควรจะต้องอ่านก่อนที่จะอ่านเนี่ยผมก็จะบอกว่าเมื่อบุคคลเห็นไตรลักแล้วฟังให้ดีนะครับมือถือเป็นหลักฐานไอที่พูดเองนะี่พูดมาเยอะเนี่ยแต่พูดตอนนี้ถือว่ามีมีอะไรละ่ะมีมีกระดอง มีที่อาศัยคือคนได้เห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยถามว่าตัณหายังอาจเกิดไหมยังเกิดตัณหาเนี่ยเขาจะตามติดแบบเป็นหลักเลยครับไม่ว่าจะยังไงก็ตัณหาก็จะเป็นหลักยืนแล้วถ้ามันผิดใจตัณหาปฏิฆาเกิดทํำม ไ, มไม่ได้อย่างใจตัณหายังไม่ถูกใจง่วง ตัณหาถูกใจขึ้นมาตาสว่างตัณหาพาทิฏฐิมานะตามหลังเข้ามาตัณหาก็จะยืนพื้นอยู่ตลอดเลยวันนั้นในนี้ท่านจึงเอาตัณหาเป็นหลักถ้าพูดอย่างภาษาของเราคือว่าคนเมื่อเห็นไตรลักแล้วเกิดท ร, รมาตัณหาขึ้นเกิดทำมาตัณหาขึ้นเป็นภาระของผู้ปฏิบัติจะต้องเยียวยาแก้ไขตัวเอง อีกเหมือนกันและความยากความลำบากก็ยังอาจเกิดได้ตรงนี้อีกอย่า น, นึกว่าหลุดรอดปลอ ด, อดภัยแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวในข้อห้าว่าอีกท่านหนึ่งแม้ลักษณะทางหลายก็รู้แจ้งแล้วเมื่อวิปัสนาแก่กล้าผ่องใสเป็นไปอยู่ผ่องใสในหมายว่าชัดเจนดี วิปัสนาชัดเจนดีมันน่าจะดีหมดอุปสรรคแต่ไม่หมดครัท่านจึงว่าต่อไปว่าเมื่อครอบงําความชอบใจในวิปัสนาที่เกิดขึ้นลําบากอยู่นี่กรณีของคนรู้เท่าทันนะไอ้ไม่รู้เท่าทันน่ะต้องพูดถึงตรงนี้ไม่ได้พูดถึงไม่รู้เท่าทันก็ไม่ลําบากที่จะมาไปยอมว่าแต่เรนี้จะลําบากได้ไงที่ลําบากเนี่ยเพราะเราไม่ยอม แต่ไอ้ไม่ยอมมันไม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ลําบากไม่ยอมบางคนไม่ยอมก็ขึ้นฮัตขึ้นมาก็เรียบร้อยเหมือนกันหม่ยก็ไม่ลําบากไอ้บางคนขึ้นฮัตแล้วก็ยังลําบากท่านยังบอกว่าเมื่อครอบงําความชอบใจในวิปัสนาที่เกิดขึ้นลําบากอยู่ย่อมรู้แจ้งโดยยากลําบากและรู้แจ้งลักษณะแล้วอบรมวิปัสนาอยู่ย่อมทำมรรคให้เกิดขึ้นโดยเวลาช้านาน แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ย่อมชื่อว่าทุกข์ขาปฏิปทาทันถาวิญญานี้ถ้านลำดับเลยยานขึ้นไปถึงตรงนี้เลยว่าสมมติว่ายานสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและจริงนั้นเลยไปถึงยานอื่นก็ได้ด้วยเพราะก็มีอนิจังของอนัตตายืนอยู่ตลอดแหละเพียงแต่มีความรู้สึกพิเศษขึ้นพิเศษขึ้นไปตามขั้นของยานที่สูงขึ้นไปตัณหาจะเข้ามา ครอบงำครอบงำตรงนี้ถ้าผองใสแล้วเนี่ยให้ให้เรานึกถึงประสบการณ์ชั้นเา่าๆนะถ้าเราทาวิปัสสนายังไม่ได้ตัณหาเขายังไม่เห็นด้วยตัณหาเขาจะขวางอุคุกิเลสก็เนี่มาขวางขวางโดยประการต่างๆถึงก็บทำให้เราออกหรือเลิกสนใจวิปัสสนาไปเลยก็เคยมีแล้วกลัววิปัสสนาไปเลยเกลียดไปเลยมี แต่ถ้าถึงว่าเราทำแล้วไปประจักษ์ว่าโอ้ยภาสนาเป็นอย่างนี้เองนี่เาเรียกว่ากองสายบริสุทธิ์ไอ้บริสุทธิ์นี่อย่าไปปนกับบริสุทธิ์จิเกเลตในขั้นมากตัณหาก็เห็นด้วยวเออดีนะของนี้ดีกว่าของเก่าก็เลยอนุมัติให้เราทำแต่เขาก็เป็นคนที่เข้ามาโฉกฉวยประโยชน์ ในลูกของการทําให้เสียหายวิบัติเสียหายเมื่อเรารู้ทันเราก็พยายามที่จะไม่ให้ตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเราครอบงำตัณหาไม่ให้มาอาศัยเกิดวิปัสนาเพราะเรารู้ว่าวิปัสนาที่ตัณหาเข้ามาอาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นทําลายวิปัสนาเป็นอย่างนี่เป็นอย่างรุนแรงคือทําลายวิปัสนาในชั้นต่อไปออแล้วคําว่าทําลายคือทําให้สิ่งที่เราได้ไม่ได้ อันหนึง่งเอาวิปัสนาเนี่ยพลังทางวิปัสนาไปใช้สแสวงหาผลประโยชน์ชั้นอื่นต่อไปตัณหาเรียกตัณหากลับไะตัณหาพาธรรมะกลับไปสแสวงหาลาบไปสแสวงหาอะไรแต่อะไ ร, ออะไรเป็นไปได้มากมายและทำให้เราว่าถ้าไ ม, ไม่ไปต้องสองประการนั้นไม่ก้าวกระยับขึ้นไปสิ่งที่คนฉลาดจะต้องกลัว ผู้วิปัสนาอย่างดีจะต้องรลัวคือเห็นอันตรายว่าเราจะไม่ก้าวขึ้นอันนี้เป็นความลำบากความยากลําบากถึงแปลว่ายากหรือลําบากแต่เวลาจะไปบรรลุมรรคผลเนี่ยสมมติว่าเลื่อนยานไปโดยลําดับไอ้ตามข้อขัดข้ อ, ของแล้วถ้าคนนั่งขัดแคเพราะตรงนี้พอพ้นตรงนี้ไปแล้วไม่ขัดไม่ลําบากใช่นะพอไปถึงสังขารุเปยขายานจะก้าวเข้าไปสู่มรรคผล ว่าจริงในบางที่กระฟูโ ด, ดยตรงนั้นก็มีความยา ก, ยากลำบากไปด้วยระวังสังคารุเปรยขายานจะกล้าเข้าไปสู่มรรคพิธีเนี่ยเป็นทุกขาตรงนั้นก็ได้ด้วยแต่ในนี้ท่านไม่ได้อธิบายเลยไปถึงท่านอธิบายอยู่ที่แค่นี้และอนุโลมให้เข้าใจเอาเองเวลาจะบรรลุใน้บรรลุช้าแม้ว่าขาจัดความลาบากได้แล้วก็ยังช้า อยู่นั่นเองคนมีปัญญาอ่อนหน่อยที่เราเรียกว่ามันทะบุคคลปัญญาอ่อนหน่อยก็เลยบรรลุได้ชานี่เป็นอธิบายทุกขาปฏิปทาและประเด็นย่อยตั้งแต่หนึ่งถึงห้าที่ใช้อธิบายกับทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาได้ฉันใด ก็เอามาเป็นตัวอย่างเป็นหลักในทางอธิบายโดยปฏิปทาที่สองว่าทุกขาปฏิปทาขิบ ป, ปาปิญญาคือปฏิบัติลำบากพอจะบรรลุแล้วเร็วพอแก้เยียวยาความลำบากได้แล้วเนี่ยนะไปเลยเพราะว่าคล้ายๆว่าแรงมาสูงแรงแร่งยานนะกำลังมากบางพวก เป็นอย่างที่สามคือเมื่อกำหนดนามกำหนดรูป ก, ก็สบายไม่ไม่ยากไม่ลำบากถ้าเจ้าตัวนะคิดจะสู้มันยอมกิเล่มันยอมมันยอ ม, ยอมง่ายง่ายไม่เหน็ดเหนื่อยและเวลาจะบรรลุบรรลุช้านี่ตรงนี้เรียกว่าไอทางลบเนี่ย น้อยแต่ทางบวกก็น้อยด้วยก็เลยสะดวกพวกที่สี่ก็อธิบายสวมลงไปได้เช่นกันว่าเมือ่อปฏิบัติสะดวกแต่พอบรรลุบรรลุเร็วนี่เป็นพวกดีที่สุดนะครับถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนว่าใครบ้างพระพุทธเจ้าดีตลอดคือเป็นกรณีที่สี่ตลอด แต่อย่างพระโมคคัลลานนะบรรลุครั้งแรกเร็วสุขขาปฏิปทาแต่บรรลุเป็นทุกขาปฏิปทาแต่เป็นขิดปาปิญญาจำได้นะครับว่าวันที่ท่านจะบรรลุนั่นคืออย่างไรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบ ท่านปรามกิเลสตัวหนึ่งได้บรรลุเลยกิเลสอะไรของท่านง่วงความง่วงถูกปรามได้บรรลุเลยสำหรับพระยศยกตัวอย่างพระยศพระยศนี่ลำบากไหมง่ายเหลือเกินเน่ะ นี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่รอพ่อนะเท่นให้ทานฟังเลยท่านคงบรรลุปไปแล้วรอพ่อให้บรรลุร่วมกับพ่อพระยศนั้นเป็นพวกสุขขาปฏิปทาพระจักขูบานรู้จักพระจักขุบานใช่ไม้มที่ตาบอดในทุกขาปฏิปทาคือไอ้ทุกเนี่ยบางทีเราเอาไอ้ความยุ่งยากลำบากมา มาใช้อย่างที่เรานึกคุ้นเผินนั่นไม่ได้นะเขาไม่วิเคราะห์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ออย่างเช่นว่าไปโดนเขาทุบเ้าแทงเรานึกว่าทุกขาไอถ้าไปอยู่อย่างอิ่มเอมเปรเมปรีก็ทุกขามันกันนะเขาท่านถือกิเลกี่เลสทุกอย่างเพระฉะนั้นไอ้จุดที่ท่านดูเนี่ยคือท่านดูตอนปฏิบัติอุปสรรคในปฏิบัติซึ่งมันเป็นเรื่องอยู่ในหัวใจของคนปฏิบัติ ซึ่งบางคนเนี่ยมันไม่ไม่เป็นไปตามดิานฐานด้านนอกแต่ว่าบางองค์นั้นเป็นไปตามด้านฐานด้านนอกออย่างกรณีของท่านจุนลปันท่านจักขูบาลเนี่ยเป็นทุกขขาปฏิปทาแล้วก็ส่วนอภินยาของท่านคือหมายถึงการบรรลุนั้นอาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างในแต่ละมรรคของท่านที่ท่านได้บรรลุปนกันอยู่ท่านพระพาหิยะ ทารุจริยท่านพระพา ย, ยาทารุจริยเนี่ยสันนิฐานว่าจะเป็นพวกบรร ล, ลุลำบรร ล, ลุปฏิบัตลิลาบากบรร ล, ลุเร็วลาบากถึงขนาดพระพุทธเจ้าต้องทรงทุทเลาเราอย่าไป น, นึกว่าศรัทธานะ่ะมันไ ม, ไม่ลาบากนะศรัทธากล้าเนี่ยเฮ้ศรัทธาเป็นของดีแต่ที่ทำให้ไม่ดีเพราะว่าทำให้ กิเลสอย่างอื่นตามหลังมาใช่ั้มเห็นว่าศรัทธามากโมหะตามหลังมาปัญญาเกิดยากท่านก็ต้องอปฏิเสธแล้วปิเสธอีกแล้วจึงแสดงธรรมให้ฟังแต่แสดงแล้วก็บรุเลยบรรุเลยอันนี้เราดูในส่วนของอินสี ตรนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเอาไว้เลยครับปริยบุคคลเมื่อจแนกโดยอินทรีย์นั้นองท่านก็บรรลุเป็นผู้มีอินทรีย์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นประธานพวกยิ่งด้วยศรัทธาก็คือพระวกรักกะริเป็นต้นองค์อื่นก็มีมากมายด้วยกันพวกยิ่งด้วยความเพียรพระ ม, ามหาโสนโกริวิสะเทร ะ, ะที่ที่เราพูดถึงประวัติท่านแล้ที่เดินจงกรมจนเท้าแตก ท่านยิ่งด้วยสติก็คือพระโสภานี่ท่านก็จึงได้รับเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศในทางบุเพนุนิวาสานุสติญาณรู้สึกว่าท่านจะบรรลุธรรมตั้งอายุประมาณเจ็ดขวบองคนี้อผู้ที่ยิ่งด้วยสมาธิก็คือพระจุลปันทุกที่ธรรมโนโมยิตริผู้ยิ่งด้วยปัญญาคือพระ อ, อ, นอนุ์ อันนี้ท่านยกตัวอย่างไว้ทานนี้นะครับทีนี้มาดูอีกหน้าหนึ่งมีจุดหนึ่งที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเคนินกาสมาธิเกี่ยวกับสุไยประสบ์อยู่ตรงนี้นะคระับข้อสิประเด็นสิบสองเมื่อก่อนว่าโดยปฏิสัมพิทาและปิญญาก็คือบางท่านบรรลุปฏิสัมพิทาเรื่อหน้าปฏิสัมพิทาสี่คืออัตตาปิสัมพิทาธรรมะ ปฏิสัมพิทารู้เหตุรู้ผลนี่คือรู้เป็นปัญญาในทางข้อมูลนะญญปฏิสัมพิทาในทางข้อมูลส่วนปนิรุตติปฏิัมพิทาคือเป็นปฏิสัมพิทาในทางแสดงออกเครื่องมือในการแสดงออกคือภาษาและปฏิพานปฏิสัมพิทาคือปฏิสัมพิทาอันเป็นสมรรถภาพในการแสดงออกของตัวแสดงออกซึ่งข้อมูลด้วยภาษานั้นด้วยเครื่องมือคือภาษา ปฏิสัมพิทาทั้งสีเนี่ยก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองทั้งนั้นะครับปฏิพานก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเพราะว่าคนจะแสดงออกอย่างฉับไวก็คือต้องมีภูมิภูมิปัญญากำหนดรู้อย่างฉับไวจึงแสดงออกอย่างฉับไวได้ <c oughs> ท่านราธะจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางปฏิพานเวลาฟังธรรมมีปฏิพานแจ่มแจ้ง แต่ท่านก็สามารถที่จะกล่าวสิ่งที่ท่านแจ่มแจ้งออกมาเป็นถ้อยคําภาษาได้ส่วนอภิญญาหกอภิญญาสามบางท่านก็บรุได้อภิญยาหกบางท่านก็บรุได้อิญญาสามข้อสิบสองปฏิธรมพิทาและอภิญญา อปฏิพานไม่มีใช่ไหมปฏิพานปฏิสัมพิาทาข้อที่อธิบายวิสัมพิทาสุดท้ายนะเติมปฏิพานลงไปอ่านว่าปฏิพานนะปฏิสัมพิาทาอ่าท่านี้ก็มาพูดถึงกรณีสิบสามข้อสิบสามที่เรียกว่าสุขาวิปัสสก คำว่าสุขะตรงนี้ไม่ใช่ถ้ามีกอไก่แล้วไม่ได้แปลาว่าสุขในภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็ต้องเอาขอไข่ออกบาลีต้องเอากอไก่ออกภาษาไทยต้องเอาขอไขออกจิงจะเป็นความผาสุขันที่เรียกว่าความผาสุขแต่ถ้าสุขะที่มีกอไก่ตะกดแปลว่าความแห้งแรงแห้งแรงแห้งแรงก็คือไม่มีชาน ฌานเนี่ยมันเหมือนปุ๋ยของวิปัสนาเหมือนสัปปายะของวิปัสนาเป็นสัปปายะภายในไม่ใช่สัปปายะภายนอกสัปปายะภายนอกน่ะเป็นเรื่องเสนาสนะเรื่องอาหารพอได้ฌานเข้าเนี่ยมันก็ทําให้เราสัปปายะจากกิเลสสัปปาย ะ, ะด้วยพลังของภาวนาธรรมของเราที่ได้ปัจจัยมาจากฌาน ท้าไม่ได้ก็เลยเป็นสุขาวิปสกไปดังนั้นในนี้ท่านจึงบอกว่าส่วนพระเทรศผู้ตั้งอยู่ในสมาธิมีเพียงสักว่าคันนิกะสมาธิอ่าตรงนี้ท่านให้หมายรู้ไว้เลยนะครับคําว่าคณิกะสมาธิในคัมภีร์เนี่ยเท่าที่เราพบมาแล้วเนี่ยใช้เป็นสองสองอย่างครับอย่างแรกนะคืออย่างที่เราเข้าใจมาแต่เดิมคณิกะสมาธิขัิกะสมาธิ สมาธิชั่วขณะในขณะชั่วขณะ อ, อีกอย่างหนึ่งหมายถึงระยะของฌานสมาบัติหรือผลสมาบัติที่เข้าชั่วประเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเข้าแบบตามมีตามได้ถ้าเรียกว่าคณินกะสมาธิเหมือนกันหรือคณนิกะชฌาน ออันนี้นะมีอยู่ในในคัมภีร์ก็เคยมี <c oughs> ท่านอาจารย์องค์หนึ่งท่านมาชวนปรึกษาว่าเอ๊อก็เป็นที่รู้จักของเราเนี่ยนะทางทางสองฝ่ายว่าอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคณิกาสมาธิเนี่ยเราพูดกันผิดนะเพราะว่าในในคมภี์เนี่ยคณิกาหมายถึงไม่ได้หมายถึงไ อ, อสมาธิกระจับงเง่อย่างนี้ อย่างที่เราเข้าใจแต่หมายถึงสมาธิที่เข้าเป็นขณะขณะอันนี้ตาจารย์นี่ท่านกำลัปรารลบขึ้นอย่างนี้บอกเคยเจอหลักฐานอย่างนี้บอกเคยเจอว่าหลักฐานนะั้ท่านพูดหมายเอาเป็นความหมายว่าเข้าฌานตามมีตามได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่แล้วท่านจะเข้าสมาบัติเป็นคราวๆที่วางอย่างเช่นว่า เวลามีคนถามมีเวลาท่านจะกำหนดจิตซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับท่านเลยแล้วก็ออกอะไรเงี้หรือนั่งคุยกันเนี่ย เ, เวลาคนหนึ่งพูดท่านอยู่เฉยเยท่านก็เข้าคือจิตเนี่ยมันทำงานได้ไวกว่าคำพูดของคนมากอย่างนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิกระชานใช้แทนก็ได้เป็นไวพดกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่เราพูดกันมาแต่เดิมตกลงว่า ขั้นี้กะสมาธิเนี่ยหมายถึงสองอย่างพูดเอาอย่างเดียวถูกไม่หมดพูดให้สมบูรณ์ก็ต้องบอกว่าเป็นสองอย่างผมก็เรียนว่าเป็นสองอย่างบังเอิญได้อ่านมามาม า, มาทั้งคู่และนี่ก็เป็นเป็นที่หนึ่งที่ในที่นี้หมายถึงสมาธิกับปิดกะปล่อยสมาธิอชั้นต่ําๆอย่างเรานี่หรือพูดอีกทีก็คือสมาธิที่ยังไม่ใช่อุปาจาระสมาธิ อุปจาระสมาธิอัปนาสมาธินะ่ะเราพูดกันมากเคือนะครับไปที่ไหนที่ไหนก็พูดกันบางทีก็พูดว่าฉันแค่เข้านี่ยังไม่ถึงขั้นอปนาในแค่อุปจาระก็ได้แหละกัลลูอะไรอะไรก็คุยกันถ้าเราเข้าไม่ถามเราหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยกมันเป็นเด็นหลักเราก็ไม่อธิบายนะเราก็ฟังออกเขาใช้ตามภาษาพื้ น, นแต่ว่าถ้าจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาเนี่ยว่าอุปจาระสมาธินี่ยมีเกณฑ์ยังไง ชักไม่รู้แต่แล้ะเพราะว่าคนพูดเองก็พูดเอาตามเกณฑ์ในใจตัวแต่เกณฑ์จริงๆหนึ่งท่านมีอยู่อไอ้ตรงไหนเป็นอุปาราชตรงไหนอยู่ในเขตขคณิกะตรงไหนอยู่ในเขตอัปปนาคนเรียนอภิธรรมแล้วก็พอรู้พอรู้เอรู้ปั๊รู้ยามาฮ ะ, ะผมบอกแล้วว่ารู้ก็รู้กันอ่าดูว่าถึงคณิกะตรงนี้ทุกที่ไอ้ขั การทําวิปัสสนาเนี่ยมีเป็นสองแบบที่ว่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตามประสบการณ์จากสํานักว่าตามหลักคมภีร์คือหนึ่งคนนั้นทําวิปัสสนาไปเลยทําสมาเอาสมาธิไวโดยพัฒนาไปทั้งทั้งอินเสียอย่างนี้เรียกว่าเป็นคานิกาสมาธิที่ทําเอาเป็นวิปัสสนาไปเลย เรอย่าลืมโมวิปัสสนาก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่ไปแต่วิปัสสนาอยู่เนี้สมาธิมันตามไปด้วยตามสมควรแก่บัตแก่แบบสมาธินั้นจะไปได้แค่ไหนอยู่ที่ไอ้แบบต้องการทําด้วยนะฮะนี่เรียกว่าทําไปเลยเหมือนอย่างสายยุบเนอะพ่องนอนรือว่าทําไปเลยอีกแบบหนึ่งก็คือทําเอาเป็นสมาธิต่างหากก่อนแล้วจึงมาต่อวิปัสสนาไอ้ตรงนี้นะทําเรียนแบบคนเข้าฌานเป็นบาต คนเข้าฌานเป็นบาศเนี่ยเขาต้องทําให้ได้ฌาน ต, ต่างกันเรียกว่าพวกนั้นเขาทาต้องให้ได้ฌานก่อนถ้ายังไม่ได้ฌานและทําวิปัสสนาไม่ได้บางพวกเนี่ยดวงชะตาอะไรก็ต้องทําอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่ของยากสาหรับเขาแต่ว่ายังเราเนี่ยเราอาจจะทําสมาธิเพื่อปรามกิเลสได้ระดับหนึ่งก่อนถึงแม้จะไม่ได้คมได้เหมือนอย่างฌานก็ตามแล้วก็เรียกพลังได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วถึงไปต่อวิปัสสนา อย่างสายของท่านอุบาขินอย่างนี้ก็เห็นชัดหรือบางสายพูดเ้าก็บอกเขาทำสมาธิแล้วต่ออยปัสนาอย่างสายพร ะ, อะบองสำนักนะฮนะแต่เราเราก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปทราบาท่านต่ออย่างไรนะนก็ยกไว้เถอะแต่ว่าความมุ่งหมายอย่างนี้เป็นความมุ่งหมายใช้ขั้นตอนเดียวกันอันนี้เรียกคันนิกะสมาธิ และถ้าพูดถึงคณิกาสมาธิอย่างคนที่จะต่อต่อฌานเนี่ยบางทีมันก็มีเหมือนกันแต่เป็นคณิกาสมาธิในอีกอีกอย่างที่สองนะคือหมายก็ว่าเมื่อเราเวลาทํากรรมฐานไปเนี้ยทำทำไปแล้วถ้าจะเอาฌานเป็นบาทเนี่ยนะต้องเข้าฌานอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นระยะระยะเข้าเพื่อจะกําหนดนามกําหนดรูปนั้นไงพอมกําหนดไป น, นานก็ปัจจุบันมันไกลใช่ไหมล่ะเข้าใจไหม มันว่าเราเราเห็นมาตั้งนานแล้วมากําหนดเห็นเนี่ยมันก็ชักจืดนั้นต้องไปดูเพื่อจะกําหนดการเห็นนะั้นจะดูอะไรก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อจะนี่เทียบให้ฟังแต่เวลาเราเรากําหนดตาเห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งใจเลือกดูเพราะยังไงมีตามก็อยู่ก็หน้าแล้วลืมเมื่อไหร่มันก็เห็นให้เป็นอารมณ์ของพิธสนาเป็นอุปกรณ์พิธนาได้แต่คนเข้าชาญเนี่ยต้องเข้าชาญเอา นั้นคนเข้าฌานนั่นบางทีเข้าฌานเพื่อมุ่งพักในอันหนึ่งมุ่งพักวิปัสสนากับเข้าฌานเพื่อักเรียกอารมณ์ปัจจุบันตั้งอารมณ์เป็นปัจจุบันและกําหนดฌานนั้นเป็นอารมณ์นี่อีกอันหนึ่งเพราะพวกนี้เนะ่ยถึงบางทีต้องเข้าคันิกะสมาธิแบบนี้เป็นคราวๆ ร, ระยะระยๆไปถ้าหากว่า วิปัสนา那เกิดจะยังไม่เดินไปถึงขั้นบรรลุได้นะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคนนั้นเกิดไม่เปลี่ยนเคยเข้าเป็นบาเนี่ยบางทีพอกําหนดเวลาไปเห็นน้ำเห็นรูปอื่นไม่จําเป็นต้องไปเห็นไอเอ่อตัวชาเ น, นั้นเป็นอารมณ์ก็ได้คือชานนั้นมันส่งทอดส่งต่อไปให้เราไปเห็นไอ้นามรูปในกระแสอื่นแต่ว่าเวลาบรรลุเนี่ยเนื่องจากว่าเราปรารถนาจะให้เป็นชานชานก็จะไปเป็นคุณสมบัติ ในมรรคจิตที่เราบรรลุอันเห็นนั้นจะดูอะไรก็ลืมตาขึ้นมาเพื่อจะนีเทียบให้ฟังแต่เวลาเราเรากําหนดตาเห็นเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งใจเลือกดูเพราะยังไงมีตามก็อยู่ก็หน้าแล้วลืมเมื่อไหร่มันก็เห็นให้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเป็นอุปกรณ์วิปัสนาได้แต่คนเข้าชาญเนี่ยต้องเข้าชาญเอาเพราะฉะนั้นคนเข้าชาญ น, นึกบางที่เข้าชาญเพื่อมุ่งพักเนี่ยอันหนึ่งมุ่งพักวิปัสนากับเข้าชาญเพื่อ เรียกอารมณ์ปัจจุบันตั้งอารมณ์เป็นปัจจุบันและกําหนดชาตินั่นเป็นอารมณ์นี่อีกอันนึ้งพวกนี้เนะี่ถึงบางทีต้องเข้าขานิกะสมาธิแบบนี้เป็นคราวๆ ร, ระยะระยะไปถ้าหากว่าวิปัสสนานะั้นเกิดจะยังไม่เดินไปถึงขั้นบรรลุได้นะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคนนั้นเกิดไม่เปลี่ยน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 ก็ยังไม่ไม่ได้ยินใครเอามาแจ้งให้ฟังกันดีนะว่ามีแง่ง ม, มุมมีอะไรแต่ไรสักทีเออหรือมีใครพูดใครมีข้อมูลมีเทพอะไรมาฝากฟังกันบ้างก็ดีอธิบายยังไงจะได้เป็นความรู้ให้ชัดเจนขึ้นผู้เจริญวิปัสสนาล้ว น, วนเพราะมีตั้งแต่วิปัสสนาล้วน ไม่มีการสืบต่อภายในวิปัสนาด้วยองค์ชาญอันเกิดแต่สมาธิเบื้องต้นและในระหว่างไอต้ตรงนี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงไม่ใช่ว่าเข้าชาญครั้งเดียวเลิกไ อ, อย่างนี้ต้องต้องบรรลุเลยนะหมายถึงเข้าชาญปุ๊บบรรลุไปเลยอ่ะต่อแล้วบรรลุเลยไม่ต้องมาเข้าแล้วเข้าอีกแล้วเข้าชาญเป็นบาตรอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านเข้าชาญและทําวิปัสนา ไ อ, นะอ้พรอโทษทำอภิญานี้ของมุยาะขอข อ, ขอแทรกเป็นความเข้าใจว่าท่านเข้าฌานในเบื้องต้นเนี่ยเข้าอานาปานาฌานแล้วออกมาออกจากฌานแล้วต่อต่ออะไรรู้มะต่ออภิ ญ, ญาอภิ ญ, ญาสองอย่างที่เป็นบาทของวิปัสสนาด้วยเหมือนกันอนุเคราะห์วิปัสสนาด้ยเหมนกันที่ผมเคยบอกเขาที่ที่ปานิปันที่นี่ก็ไม่รู้นะบอกคําบอกในทางคมภีรเขาบอกอย่างนี้อ่า บุพเพกับจุตูเนี่ยมันจะมันเหมือนเป็นบาทในทางปัญญาทำให้เราได้เบาะแสของนามของรูปละเอียดเลึกขึ้น mm. เสร็จแล้วมาต่อวิวสนาโดย mm. ไม่ได้เข้าฌานกำหนดอากำหนดองฌานอย่างบางคนทำหรืออย่างที่เรารู้โดยทั่วไปท่านทำอะไรรู้หรือไม่ลืมแล้วหรือยอย่าง ลืมความหลังอะไรยังพระพุทธเจ้ากำหนดอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์มิปัสนาฮะปฏิจจาระถูกปฏิจจาสมุปบาทเป็นอารมณ์แต่เวลามรักของท่านเกิดเนี่ยมีฌานประกอบถูกไห เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอุปโตภาควิมุตต์หรือเป็นปัญญาวิมุตต์เป็นอุปโตภาควิมุตต์ก็เราลองคิดดูไง่ายๆอย่างว่าคนเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเราได้ก็ยังอยู่คุณสมบัติฌานก็ยังอยู่ใช่ไหมปัลลุมัคคุณสมบัติฌานก็ยังอยู่แต่ไอตรงนี้ต่างกันแต่ว่าไอคุณคุณสมบัติเงื่อนไขของฌานมันเข้าไปประกบสมบูรณ์เป็นแบบ ความรู้สึกนั้นเข้าไปเกิดอยู่ด้วยมันไม่ใช่แค่มีอย่างไม่แตกคุณสมบัติฌานนั้นเข้าไปประกบไปเป็นความรู้สึกอยู่ในมรรคในผลด้วยอมีแบบยังไม่แตกแต่ว่าไม่เกิดเป็นความรู้สึกเนี่ยมันอันหนึ่งคนที่ปรารถนาจะให้มีเป็นฌานใดไว้แต่ต้นเวลาฌานเกิดก็ปรากฏไม่ต้องปรารถนาเดี๋ยนี้แล้วครับแม่ คนที่เคยอย่างภาษาลิบุตรทําชานได้แต่ชาติก่อนอะไรอะไร น, นะแต่ชาตินี้ไม่ได้ฌานแล้วนะภาษาลิบุตรไม่ได้ไม่ได้มาเป็นนักบวชประเภทดาบดเพราะวกาพว ก, <ม>พวกบรรลุพระอา ห, าหันต์เนี่ยผมมานับๆดูแลบางพวกเป็นเป็นนิครนก็มีบางพวกเป็นดาวบดก็มีบางพวกเป็นฤาษีก็มีอ่าเป็ น, เ ป, นเป็นชาดินก็มีมีหลายแบบภาษาลิบุตรเป็นนักบวชก็จริงแต่ว่าไม่ใช่นักบวชนักบวชพวกพว ก, พวกทําฌาน แต่เวลาบรรลุมรรคผลทำไมถึงได้ฌานด้วยนี่ก็เพราะว่าแรงอธิษฐานตราธนากรรมเขาส่งมาแต่อดีตที่สั่งสมไว้ถ้าเป็นอย่างพนารกะยอย่างนี้ออกมาจากป่าเลยครับพนารกะที่เราเห็นในประเด็นสิิห้าองค์ที่หกเนี่ยทีนี้มันมีเรื่องที่ เป็นความรู้ใหม่ของเราอันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงอสีติมหาสาวกเนี่ยเราไปนึกปนกับเอตทัคขาสาวกใช่ไม่ใช่มหาสาวกไม่เป็นเอตทัคขาถ้าสิติมหาเรวก็ต้องเป็นเอตทัคเอตทัคกะหมดที่แท้แล้วไม่ใช่เป็นอันเดียวกันในนี้ท่านนึกบอกว่าสาวกมีสามอัครสาวก มหาสาวกปกติสาวกถามว่าก็เพราะเหตุไยพระเทระ80รูปอาสีทีนี้แปลว่า80เท่านั้นจึงเรียกามาหาสาวกตอบว่า<ม>เพราะเป็นผู้มีอภินิหารมากจริงอย่างนั้นเพราะพระอัครสาวกทั้งสองก็จัดเข้าเป็นพระมหาสาวกทั้งหลายด้วยว่าอัครสาวกเหล่านั้นแม้ดำรงอยู่ในตาแหน่งอันเลิศเพราะบรรลุธรรมอันเลิศ ในพระสาวกทั้งหลายโดยถึงที่สุดแห่งสาวกะบารมีก็พระอริยาสาวกเหล่าใดเปรียบไม่ได้เลยดุจพระอรหรสาวกมหาสาว ก, าาวกโดยที่แท้มีเป็นร้อยๆหลายร้อ ย, อยหลายพันพระอริยสาวกเหล่านั้นเป็นปกติสาวกตรงนี้นะสาวกหลังพุทธกาลหลังนี่หมายถึงว่าหลังลูกศิต์ ของพระสาวกพระพุทธเจ้าอะไรเรื่อยมาเนี่ยเอาให้ชัดเป็นปกติสาวกมหาสาวกนี่จะเป็นสาวกเนื่องโดยสมัยพระพุทธเจ้าอันมหาสาวกเลืออาศตีมาสาวกกันแล้วอัคราสาวกนี่เกิดหลังพุทธกาลได้ไหมไม่ได้ได้แล้วจะไปเป็นอัครา ใ, ใครล่ะนอกจากมานั่งถ่ายรูปเป็นกันเองสมมติมตกันเอง อย่างที่ทรงรูปรูปมาให้ดูกันนั่งถ่ายรูปองค์กลางท่านปรารถนาเป็นพระเจ้าเพื่อนของท่านอีกสององค์ปราถนาเป็นอักราาวกศสายซ้ายขวาแล้วก็นั่งถ่ายรูปอข้างหลังมีลออเลียนเป็นธรรมจักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็ถ่ายกันอย่างเง้ย <c oughs> เพื่อเป็นอนุสติว่าเราจะไม่ทิ้งกันหน้าอะไรอย่างเง้ยแต่ยังไม่เพราะฉะนั้นยุคเราจึงเป็นได้แค่มหาสาวก คำว่าหมหาสาวกตัวนี้หมายเอาเฉพาะในดังพระอรหันต์พระพุทธในระดับพระอระหันต์ปกติสาวกก็แปลว่าสาวกธรรมดาแล้วก็การสร้างบา ร, รมีอะไรต่างๆก็ไม่เท่ากันใครจะเป็นปกติสาวกนี่ ง, ง่ายที่สุดครับสร้างบา ร, รมีไม่ต้องมากพระอรหันตสาวกนั้นเป็นมหาสาวกองค์หนึ่ง มาจากมหาสาวกแล้วก็มหาสาวกยอมให้มีแปดสิบลูกมหาสาวกซึ่งมีแปดสิบลูกหรือเลย<ม>เติมคําว่าอสีติเข้าไปซะ ด, ด้วยมหาสาวกเฉยๆไม่พอเติมอสีติเข้าไปแปลว่าผู้ที่เป็นมหาสาวกมีแปดสิบก็เลยสรุปว่าอารหันสาวกมีสองเอาจริงๆก็มีสองกลุ่มใหญ่ก่อน คือมหาสาวกกับปกติสาวกแล้วก็มหาสาวกมีเป็นสองคืออัคราสาวกกับมหาสาวกอันนี้แบ่งี้ที่จริงจะแบ่งเป็นสามก็ได้แบ่งเป็นสองอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือมหาสาวกมีสองเป็นมหาสาวกเฉยๆกับเป็นเอตทัทธะมหาสาวกก็คือพวกเอตทัทธะ มีพรนะอัญญากรุตัญญาเป็นต้นเนี่ยอยู่ในแปดสิบแปดสิบไม่ได้เป็นเอตทัคคะหมดเนี่ยเราดูก็ได้นะฮะว่าสีสิีแปดสิบท่านัญญากรุตัญญาเนี่ยเป็นเอตทัคคะท่านวัปปะพัติยะมหมานามาตจิในในคณะปัญญวัคคีท่านอีกสี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เป็นมหาสาวกไม่ได้เป็นเอตทัคคะพระนารักกะองค์นี้นะ่ะเป็นหลานของ การเทวินดาบทการเทวินดาบทเน่ะเรารู้กันทุกคนแล้วว่าเป็นผู้ที่ทายพระอุตตเจ้าไปเห็นพระเจ้าเขาร้องไห้ร้องไห้ว่าตัวจะต้องไปเกิดในโลกวะพรมกูมานี้จะได้ตัะรู้เป็นพระเจ้าตัวก็ตัดใจใน่โลกพรมไม่ได้เสียดายก็เสียดายก็เลยเอาหลานเนี่ยมาสั่งไว้ พาเอาหลานไปบวชสั่งไว้เลยว่านี่เวลาถ้าคอยฟังข่าวาว่าวพุทธเจ้าบรรลุเมืไรให้ไปบวชทันทีเลยใช่นะมพอได้ข่าวพุทธเจ้าบรรลุก็ออกมาเว้าวมาบวชในเพศของของดับบนะได้ฌานอภิญญามาก่อนแล้วด้วยองค์นี้สมบูรณ์เลยพอมาได้ฟังธรรมเข้าก็เป็นพระอรหันต์ที่ได้ฌานอภิญญามาก่อน แล้วก็องที่เจ็ดเนี่ยกลุ่มพยศน่กลุ่มพยศในปรากฏว่าไม่มีใครได้เป็นเอตทัคคะเลยสักองเดียวเป็นมหาสาวกเฉยๆกลุ่มของท่านอาจดินสามพี่น้องพันรูปนะหรือพันสามรูปเนี่ยเป็นเอตทัคคะองค์เดียวคือออรุเวลาอุรุเวลาก็ปะเลิศในทางบริวารมาก ทนันญากุณญาเลิ่นในทางรู้ราตีนานแล้วก็มาพันธะท่ า, านพระตาลิบุตรกระโมกขล า, านนะกลุ่มของท่านลูกศิษย์ท่านไม่ได้เป็นมหาสาวกเป็นแต่เฉพาะอาจารย์สองคนสององค์นี่คือไม่เหมือนกับพยศนะพยศนี่กลุ่มท่านหลายองค์เนี่ยเป็นมหาสาวกแต่ว่าไม่ใช่ทุกองค์เฉพาะองค์ชุดแรกนะเป็นชุดแรกหมายถึง ท่านแล้วก็เพื่อนอีกสี่องค์ที่ตามมาที่ภายหลังไม่ได้เป็นทั้งห้าสิทธิ์พระสารีบุตรกับพระโมคฆราณ์นะเป็นเอตทัคขะพระมหากาัส ป, ปะนี่ก็มาอีกสายหนึ่งนะที่เล่าข่าวที่แล้วออกบทกับภรรยาและแยกทางกันได้รับเป็นเอตัคขะทางทูดงท่านมหากระจายนะอะอดีตมาอดีตปโรหิตก็เป็นเอตัคขะ ทางขยายธรรมย่อยวิส đan ท่านมหาโกติตะซึ่งเป็นพรามมึงระเจื้อเนี่ยนะเป็นเอตทัคคาเลิศในทางบรรลุปฏิสัมภิทายอดเยี่ยมในทางปฏิสัมภิทาท่านมหากัปปินะนี่ก็เป็นพระราชาเอาเลิศในทางสอนภิกษุท่านมหาจุนทะนี่น้องวสานตบุตร ท่านอนรุต t ะนี่ได้เป็นเอตัทธาตาทิย์นยากพระพุทธเจ้ายี่สิบสามองค์ยี่สามท่านกังขาเรวตาเป็น<ม>ผู้เลิศในทางฌานท่านอนน์นี่กินสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งไม่ใช่สี่สุดตะสติขติความเพียรอุปถากองค์ยี่ห้าท่านันตกะเลิศในทางสอนพิสุนีพระักคุ ที่ออกบดในชุดของพระอ น, นุนันนะครับว่าพระอนุรุตด้วยก็ไม่ได้เป็นอะไรพระนันท ะ, ะที่พระพุทธเจ้าเอาบอกเอาเอาบท ด, ด้วย เ, เหตุาการณีพิเศ ษ, ษ, ษ, ษเพียงพระองค์เดียวในวันแต่งงานเลิศในทางในทางไหนครับพระนันทะเลิศในทางสัมอินรีสังวรใช่ไหม เล่ในทางศีัสงวนแล้วก็พระกิมพีละพัทธิยะไม่มาถึงพระลาหุนพุทธชิโนโรสเนี่ยเลิ่ในทางศึกษาพระศิวลรีไม่ต้องบอกว่าเล่ในทางหะไรลูกชายคนโปรดของนางสุปวารสาสมัยนี้ก็โดนทำแท้งไปแล้วตั้งเจ็ดปีไม่ยอมรอดแม่ก็ทุกข์เจ็บปวดะ พรอุบาลีอดีตช่างตัดผมเลิศในทางวินยัยนึกออกใช่ไหมพระศิวลีเลิศทางไหนพระทัพพระมัลลาบุตรพวกมัลลกษัตริย์เลิศในทางจัดเสนาสนะบรรลุธรรมตั้งเกษตรขวบเหมือนกันพระอุปเส น, น ะ, ะนี่น้องพระศิลบุตรเลิศในทางนำความเลื่อมใสโดยรอบไปที่ไหนก็ทำให้คนเลื่อมใสทั้งเทวดาและมนุษย์ เกิดใส่ทั้งตัวตท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เป็นที่เลื่อมใสด้วยพระคทีระวานิยญาเดวตานี่น้องชายคนเล็กพระนนิบุตรอยู่ป่าเป็นวัดพระปุณณมันตานีบุตรนี่องค์นี้เลิศในทางธรรมกัตถ์องคสามที่เจ็ดเนี่ยท่านปุณณสุนาาปราันตะชาวสุนาปราันตะแต่ชื่อปุณณนะเหมือนกับท่านปุณณมันตานีบุตรอนี่ไม่ได้เลิศอะไรแล้วครับ เป็นเป็นพระมหาสาวกองค์หนึ่งโสนกุติกันนะลูกเศรษฐีตุ้งหูลักโสมตุมหมูลักการหนึ่งโกดเลิศในทางถ้อยคายอําไพเราะถ้อยคาไพเราะนั้นต่างกับเสียงไพเราะนะครับคนเสียงไพเราะถ้อยคําไม่ไพเราะได้คนถ้อยคายอําไพเราะเสียงไม่ไพเราะได้สามสิบเก้าพระโสนะโกลิวิสะเลิศในทางความเปลี่ยนพระราธะ พระที่บวชเมื่อแก่ภาษาทีบ่บวชบวชให้เลิศในทางปฏิพันธ์แจ่มแจ้งอปฏิพันธ์ของท่านปฏิพาน์ทางฟังเน้นในทางฟังฟังอะไรแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งไม่สมกับอายุเลยอายุมากแล้วฟังแล้วแจ่มแจ้งอย่างยอดเยี่ยมท่านสุภูติ่านี่เลิศในทางเป็นทักขิเนยะทําตัวใส่ใจเรื่อง การตอบแทนทักษิณาของญาติโยมด้วยการก่อยเข้าสมาธิดักไว้เนืองๆทั้งก่อนรับบินราบาทและหลังจากจันบินราบาตแล้วพระองคุลิมานเอตัาคกาไหมครับย่ายเอตัาคกาด้านไหนโจรกลับใจไ ม, ไม่มีไม่มีเอตัาคาแต่นับเป็นมหาสาวกอง์หนึ่งพระวักะลิ เอตทัคะทางด้านบรร ล, ลุด้วยศรัทธาที่รักพระพุทธเจ้าพระกาลุทาเยที่เป็นผู้มานิมนต์พระพเจ้ากลับวางได้เลิศในทางทำส ก, กุลของพระพุทธเจ้าให้เลื่อมใสเราเป็นคนไปกลับไปนำหน้าไปปูทางไว้ก่อนเงี้ยปรูทางไว้ก่อนสร้างงานความนับถือคะแนนนิยมไว้เป็นเบื้องต้นก่อนถ้าจะถามว่า แล้วพญาติไม่เลื่อมสก่อนหน้าบอกไม่เลื่อมสหรอกมีแต่ความรักและความคิดถึงจะสจะเลื่อมสายก็เลื่อมใสในเรื่องฝีมไม้ลายมืออะไรต่างๆโลกๆนักก้นนะว่าบานคนเก่งกล้าสามารถแต่ไม่ได้เลื่อมสอย่างเป็นพุทธเจ้าท่านไปท่านก็ไปสั่งไปบอกแล้วให้จัดเตรียมอหารถวายไม่ใช่กินสําหรับวงเดียวกันนะ ต้งไปจัดนะว่าพระพุทธเจ้ามาจะฉันอย่างนี้เราจะไปฉันรวมวงไปถวายรวมวงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ได้เตรียมการตามท่านบอกท่านมหาอุทายีนี่องค์ที่พูดเกือบจะสุดท้ายของข่าวที่แล้วไม่ได้เป็นเอตตกะท่านปิรุณวัชชาที่กล่าวว่าสโลว่สโลเอผมเจะได้ว่าผมอยากจะตอบปัญหาที่เมื่อคราวที่แล้วมีผู้ถาม จะยาวไปหน่อยแล้วละมั่งแต่จะตอบปัญหานี่เป็นผู้เลิศในทางเป็นที่รักของเทวดาที่ชอบเรียกคนอื่นว่าวาสัสโลวัสโุแล้วว่าให้ถอยไอ้ถอยแล้วอ่าพูดถามก็ถามว่าไอ้เป็นพระหลานแล้วน่าจะรู้นี่ไอ้ผู้นี้เขาโกรธทําไมท่านก็มีสติอยู่ไม่ใช่หรอแล้วไม่พู้นี้เขาโกรธทําไมท่านน่าจะหักห้ามไม่ไม่พูดเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้อท่าน โสภิตาเลิศในทางลลึกชาติได้ท่านกุมารกับสปะเลิศในทางวิจิตวิจิตด้ยวยอุปมาเปรียบเทียบพระรัฐบาลเลิศด้วยบวต ด, ด้วยศรัทธาพระวังคีสเลิศด้วยปฏิพานปฏิพานของพระวังคีสกับข อ, รรกของพระราธะเนี่ยต่างกันของพระราธะนั้นเลิศในทางปฏิพานรับพระวังคีสาเลิศในทางปฏิพานแสดงออก คือกล่าวสดุดีชมเชยไกลต่อไกลเนี่ยรวดเร็วทันใจจับรรันทันทีลึกซึ้งแหลมขมพิพิยะเนี่ยเกิดกลางถนน ก, ก็เป็นภาษาวกคไม่ใช่เอต ท, ทัก ค, ครับพระเสละพระอุปวานะมาถึงท่านสากตานนี่ยเลยในทางเตโชกสินแล้วก็ท่านห้าสิบเจ็ดระกุณตะกาปัติยะในเสียงพลอกครับรูปร่างต่าเตี้ย รปินโดตวาระปินโดภาทวาจาเลิศในทางบรรลูศเสียงนาด่ห้าสิเก้ามหาปันถกเลิศในทางเปลี่ยนปัญญาคือเข้าฌานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นวิปัสนาได้อย่างชำนิชำนาญรวดเร็วและทำได้ดีท่านจุลปันโถกนะั้นเลิศในทางมนโนมิติพักพกุละเลิศในทางอาพาธเนาะท่านกุฏ ด, ด, ด, ด, ดนะตาณะ เลิศในทางจับสลากก่อนคือเป็นพวกที่รับอะไรก็มักจะได้ก่อนท่านทารทาุทารุจริยะนี่เลิศในทางบรรลุเร็วไตยโสเชนี่ก็พวกคนหน้าชาวประมงะก็ไ ม, ไม่ไม่เป็นธรรมดาครับก็ที่เหลือนอกนั้นนะพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง<ม>เหลือเอตัคทะหน้าสุดท้ายอยู่อีกสององค์พระนันทะพระนันทะเออพระนันทะองค์นี้เออเข้าใจว่าจะเป็นนันทิยะกันนันทะ ก็อเอาว่าองค์ไหนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นันทากนนันทิยะนะนี่ในนี้เกิดพิมพ์ไปเหมือนกันนันทากันนันทิยะเอาเป็นว่าใส่นันทิยะไปก็แล้วกันองค์หลังนี่ท่านนันทาก็คือที่เลิศในทางคุ้มครองอินทรีย์ท่านนันทิยะไม่ไม่ได้เป็นเอตัคขะก็เป็นพระพุยระญาติพุทธเจ้าทั้งนั้นอก็เลยเลยไม่ได้เป็นเอตัคขะครับสําหรับท่านเหมมกะไล่เลยมาจนถึงอโสปาละ ป, ะ ป, ะปะโปสภาละ นี่เป็นพวกมนุษย์สิบหกคนนะ่ะตรงที่เจ็ดสิบเก้าคือพระโมคคราชเป็นเอตัคขะอยู่องค์เดียวครับมนุษย์สิบหกเนี่ยสิบหกนั้นเป็นมหาสาวกหมดแต่เป็นเอตัคขะอยู่เพียงหนึ่งคือพระโมคคราชเอตัคขะทางด้านจีวรเศร้าหมองนุ่งหมจีวรเศร้าหมองส่วนท่านปิงกิยะนั่นก็เป็นมนุษย์สิบหกอีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้รับว่าเป็นเลิศอะไรเอาละครับวันนี้ก็จบบริบูรณ์เพียงเท่านี้